รัตรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สบสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกานิบาตหมวดที่สอัธนะปาลิบาลีว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทรงแสดงฐานะที่เป็นไปไม่ได้แลแสดงฐานะที่เป็นไปได้ประกอบรวมประมาณ30ข้อโดยใจความเรื่องคนชั่วคนดี ความชั่วความดีเป็นไปไม่ได้ที่จะปรากฏผลในทางตรงกันข้ามเช่นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นสังขารว่าเที่ยงว่าเป็นสุขเห็นธรรมะว่าเป็นอัตตาคือเห็นเป็นตัวตนแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนจะเห็นสังขารว่าเที่ยงว่าเป็นสุข เห็นธรรมะว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระตถาคตให้ห่อด้วยจิตคิดประทุษร้ายทำลายสงฆ์ให้แตกกันอุทิศสสดาอื่นหรือหันไปนับถือสสดาอื่นแต่เป็นไปได้ ที่ปุตุชนจะทำการเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ในโลกธาตุเดียวกันจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมๆกันสองพระองค์แต่เป็นไปได้ที่ในโลกธาตุเดียวกันจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียว หมวดที่หอัปาราเอกธรรมาทิปาลิบาลีว่าด้วยธรรมะข้อหนึ่งเป็นต้นอื่นอื่นอีกทรงแสดงธรรมะข้อเดียวที่เป็นไปเพื่อเหตุผลในทางที่ดีที่ชั่วต่างๆรวมประมาณ40สบข้อเช่นลำดับอนุสติสิบทีละข้อมีพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นต้นว่าเจริญทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำนัดดับทุกข์สงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานได้นอกจากนั้นทรงแสดงถึงมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นและเจริญขึ้นส่วนสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นเหตุให้กุศลธรรม เกิดขึ้นและเจริญขึ้นเป็นตน้นหมวดที่6ปภาษาธการธรรมมาทิปาลิบาลีว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเป็นตน้นทรงแสดงลาบอย่างแน่นอนคือเป็นลาบโดยส่วนเดียวของภิกษุคือการอยู่ป่า การถือบินทบาทการทรงไตรจีวรที่ไม่สะสมมากการเป็นผู้แสดงธรรมการเป็นผู้ทรงจำวินยัยการสะดับตรับฟังมากการบวชได้ยั่งยืนการสมบูรณ์ด้วยอากัรกิริยาคือมารยาทการสมบูรณ์ด้วยบริวารการมีบริวารมากความเป็นกุลระบุตรในวงเล็บผู้ชาย ความเป็นผู้มีผิวพรรณงามความเป็นผู้มีถ้อยคาไพเราะความเป็นผู้ปรารถนาน้อยความเป็นผู้มีอาภาษน้อยหรือโรคภัยไข้เจ็บน้อยทรงสแสดงว่าถ้าภิกษุจเจริญฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จเจริญเจโตวิมุตติหรือความหลุดพ้นจากกิเลสเพราะสมาธิ อันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเจริญสติปัทานสเจริญอิทธิบาทสคือคุณให้บรรลุความสำเร็จเจริญอินสีหคือธรรมะอันเป็นใหญ่มีศรัทธาและความเพียรเป็นต้นเจริญธรรมะอันเป็นกำลังหเจริญธรรมะอันเป็นองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้เจ็ดคือโพชง มีสติเป็นต้นจเจริญมักมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้นแม้ทำได้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ชื่อว่าไม่ว่างจักชานทำตามคำสอนของาศาสดาบริโภคอาหารของราษฎรไม่เสียเปล่าจะกล่าวใหญ่ถึงการทำธรรมะดังกล่าวแต่ละข้อนั้นให้มาก ในตอนสุดท้ายทรงสันเสริญกายคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายรู้ตัวในความเป็นไปในกายต่างๆว่าเป็นเหตุให้ได้บรรลุอมตะธรรม